ก็ได้มีการสนทนาปูจชายวิสัชนากับฝรั่งที่เข้ามาปลูกป่ามีคนหนึ่งถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่อไหร่ควรยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อไหร่ควรจะผลขวายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลง อันนี้เป็นคําถามที่สําคัญมากเพราะว่าคนเราจะสุขหรือทุกข์หรือว่าจะเจริญหรือเสื่อมก็เพราะก็อยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะบอกได้ตัดสินได้ว่าเมื่อไหร่ควรจะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้เมื่อไหร่ควรจะ เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราฝรั่งนี่เขามีเขามีบทสวดอันหนึ่งนะเป็นบทที่อธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อใดอธิษฐานขอให้มีอายุวันณสุขาพล ะ, ะหรือว่าร่ารวยประสบความสำเร็จแต่เขาอธิษฐานว่าขอให้ มีปัญญาที่จะแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรอยอมรับอะไรสิ่งที่ควรเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงได้หรือบางทีก็อธิษฐานมากขนาดนั้นว่าขอให้สามารถที่จะมีความสงบเจ็นในการยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็มีความ และความได้มีพละงกำลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ความทุกข์ของคนเราส่วนหนึ่งเลยนะส่วนใหญ่ก็ว่าได้นะั้นเกิดจากการที่พยายามเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมรับว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตัวอย่างเช่นความตายเนี่ยความตายผู้คนก็รู้ว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกลับคืนเป็นอื่นได้แต่ก็จำนวนไม่น้อยก็เป็นทุกข์พยอมรับไม่ได้ทั้งที่ รู้ได้ด้วยคือถ้าใช้สมาส์ส ม, มือก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับถ้าถามนี่ทุกคนก็ต้องตอบได้ว่าเออความตายเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับแต่บางคนก็ไม่ยอมรับนะอย่างนางกีสาวกตมีลูกตายแล้วก็ไม่ยอมรับว่าลูกตายก็พยายามที่จะ ให้ใครต่อใครมาช่วยปลุกลูกให้ฟื้นขึ้นมาจนได้ไปเจอพระเจ้าแล้วก็ในสุดก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมแต่บางอย่างมันบางอย่างมันพูดยากนะว่าควรยอมรับหรือว่าควรจะต่อสู้เช่นเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นมะเร็งนี่บางคนนี่พยายามที่จะสู้กับมัน การรักษาเยียวยาก็ทรมานมากก็ยังสู้ในขณะที่บางคนนี่เขายอมรับเขาก็สามารถที่จะกินได้นอนหลับถึงแม้ว่าอายุจะสั้นนะพอไม่ได้พยายามยื้อต่อสู้กับความกับความป่วยแต่ว่าก็มีความสุขคุณภาพชีวิตดีอตรงข้ามคนที่พยายามยือ้อพยายามสู้เสียเงินเสียทองไปมากมาย แล้วก็เจ็บปวดรวดร้าวนะสุดท้ายก็ก็ตายแล้วคุณภาพชีวิตก็แย่แต่ก็มีบางคนนะสู้แล้วก็สามารถที่จะหายได้นะมันยาล้วที่จะบอกว่าเมื่อเป็นมะเร็งนี่เมื่อไหร่กรณีไหนควรจะสู้ สุดฤทธิ์รกรณีไหนควรจะยอมรับหรือไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าป่วยในระยะป่วยหนักระยะสุดท้ายหลายคนก็ไม่ยอมรับก็พยายามที่จะสู้ให้ได้คนป่วยก็ทุกทรมานเจาะคอใส่ท่อปั้มหัวใจผ่าตัดใหญ่ บางทีก็ช็อตป่วจะด้วยฟ้าเพราะว่าไม่ยอมรับความตายในขณะที่คนที่ยอมรับความตายเขาก็นอกจากไม่เสียเงินไม่เจ็บตัวแล้วก็ยังมีความสุขใจด้วยหรือว่ามีความสงบเย็นในจิตใจแล้วก็ตายดีใเรื่องความตายความเจ็บป่วยนี่ แต่ว่าปายมันยังตัดสินได้ง่ายนะว่าเมื่อไหร่ควรจะยอมรักหรือเมื่อไหรควรจะสู้หรือว่ากรณีไหนควรจะยอมรักก็เออมันทำอะไรไม่ได้ทําใจอย่างเดียวหรือกรณีไหนควรจะสู้สุดหรือแต่บางยามก็ยากนะเช่นเวลาทํางานเนี่ยเรื่องงานมันมันมั น, มนไม่สําเร็จนะ ทำยังไงก็ทําให้สําเร็จควรจะยอมรับไหมว่าทําไม่ได้หรือว่าควรจะสู้ต่อไปเพราะว่าสิ่งหลายสิ่งหลยอย่างที่เราคิดว่าทําไม่ได้แต่นั้นก็ดันทําได้หรือเป็นไปได้สมัยก่อนก็มีใครคิดว่ามนุษย์เราจะไปถึงดวงจันทร์ถ้ายอมรับว่าเออเรามนุษย์เราไปดวงจันทร์ไม่ได้นันก็จบ แต่ความจริงคือว่าถ้าพาคเพียงพยายามรุนแล้วรุนเล่าคนแล้วคนเล่ามันก็ไปถึงกันได้หรือมาแต่เครื่องบินนั่นต่ก่อนก็คิดว่าคงเมื่อเราคงจะบินไม่ได้เหมือนนกนะยอมรับความจริงซะแต่ที่จริงความจริงก็คือเราสามารถจะบินได้เหมือนกันนะแต่ว่าใช้เครื่องบิน หลายคนมีความทุกข์กับการที่ไม่ยอมรับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าลองสู้สักหน่อยนะเออมันก็ได้นะอย่างเช่นยอดเขาเอเวอเรสต์ที่มันสูงมากนะก็มีหลายคนอยากขึ้นนะคิดว่าไปไม่ได้ลองชั้นแก่แล้ว แต่ว่าบางคนก็พิการตาบอดแต่เอาเข้าจริงๆมันไปได้นะคนตาบอดก็ไปถึงมันแล้วเอเวอเรสต์ยอดสุดยอดแปดกิโลเมตรจากระดับน้ำทะเลเคนพิการก็ไปถึงเหมือนกันคนแก่7จสิบก็ไปได้แค่ในชีวิตจริงนี่มันมัน มันจะมีอะไรต่อมันจะมีหลายกรณีหลายเหตุการณ์มากที่ตัดสินใจบอกไม่ได้ว่าเมื่อไรควรยอมรับหรือเมื่อไรควรจะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเปลี่ยนแปลงนะแล้วใครใครที่ไม่รู้ใครที่ตอบไม่ได้นี่ก็มีโอกาสที่จะทุกข์มากบางทีทุกข์จนมันตาย เมื่อสักสองสาร้อยปีก่อนมันมีนักแต่งเพลงหึงชื่อโมสาดนะโมสาดนี่เป็นอัจฉริยะมากแล้วก็แต่ว่าก่อนที่โมซาดจะดังเนี่ยก็มีนักแต่งเพลงที่ดังมาก่อนแล้วนะมีชื่อแต่ตอนหลังก็โดนโมสาดบทลัศน์ดับลรัศน์เรียกว่าแสงหน้าไปเขาก็ไม่ยอมล้วก็พยายามที่จะ ไม่อยอลรับความจริงว่าตัวเองสู้ไม่ได้ก็พยายามทำทุกอย่างทำทุกอย่างทั้งพยายามเคี่ยวเข็นฝีมือเปลี่ยนีมือแ ล, แ, ลแล้วก็พยายามที่จะหาทางกันแกล้งโมสาแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายก็ตายด้วยความตรอมตรมนะตรอมใจนะว่าไปไปแพ้เด็กเมื่อวันซืน อันนี้เราอยอมรับอยอมรับไม่ได้ว่าเราเป็นรองเขาถ้าอยอมรับได้เราเป็นรองเขาก็ก็สามารถจะอยู่ได้มีความสุขตายก็ตายสงบแต่เรื่องแบบนี้มันก็ยากนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็มีหลายคนที่เขาพอพยายามสู้พยายามเขี่ยเข็นนี่ก็สามารถจะเอาชนะได้ ของบางอย่างที่ดูมันเป็นไปไม่ได้นี่มันก็ดันเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่ามีความเพียรพยายามอย่างเช่นการโค่นล้มเด็กการเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยมันก็เริ่มจากคนเล็กๆระเด็จ ก, การที่ยิ่งใหญ่อย่างมาคอสเนี่ก็มันก็เริ่มต้นจากคนไม่กี่ค น, นที่พยายามจะสู้ไม่ถูกปราบปรามยังไงถูกฆ่ายังไงก็ไม่ยอม พยายามสู้โดยใช้สันติวิธีสุดท้ายก็โค่นมาได้ตอนนี้มีคนบอกว่าให้ไปล้อมให้ไปขวางทหารเอาไว้โดยมือเปล่าโดยรูปกรรมโดยใช้ไม่กางเขนไปขวางทหารควางรถถังเอาไว้ให้รถถังเขมาบุกเข้าม า, ค, า, มาคนก็คิดเป็นไปไม่ได้ทํทำก็สำเร็จนะแล้วพอคนมารวมมากขึ้นก็ มาคอสก็ต้องหนีไปนรือยอย่างการพัทงทลายกำแพงเบอร์ลินเนะี่ยหรือว่าทำลายขับไล่ที่ผลของรัเสเซียในตอนในยุโรปตอนอ่อนนอี่โเป็นเรื่องที่คนคีดเป็นไปไม่ได้นะรัเสเซียนี่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินในเยอรมันนี่คอมมิวนิสต์นี่ก็มีทิ่ผลมาก คนก็ไม่ยอมนะแทนที่จะเจาจูบยอมรับว่าเออชาตินี้ต้องอยู่กับคอมมิวนิสต์ไปตนตายหรือชาตินี้ก็ต้องอยู่กับรับเสเซียไปจนกว่าจะรุ่นลูกลุ่นหลานนะเขาไม่ยอมเขาลุกเขาพยายามสู้เขาบกว่าสามารถจะพังทลายกําแพงเบอร์ลินได้สามารถที่จะท้าทายคอมมิวนิสต์จนกระทั่งคอมมิวนิสต์มัน ฝ่ายพายแพ้ไปเองรัสเซียก็ต้องถอนตัวจากตะวันยุโรปตัวัวนออกไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยแต่พอออกแรงเต็มที่นั้นมันก็เป็นไปได้แตน่นก่มีหลายกรณีที่ทําไปแล้วยิ่งทาทาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่ยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ยังทําอยู่จนกระทั่งหมดสภาพ เนี่ยมันก็มีในชีวิตเรามีเหตุการณ์ต่างๆมากมายที่มันตัดสินไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ควรจะยอมรับแล้วเมื่อไหร่ควรจะต่อสู้สิ้นลินลนสุดฤทธิ์นะถ้าว่าคนเรานี่รู้นะมีปัญญาที่จะแยกแยะได้รู้ได้ว่าแบบนี้ต้องยอมรับแบบนี้ต้องสู้นะมันก็ชีวิตมันก็จะง่ายขึ้นเยอะ แต่มันก็ไม่พน้นมันก็ไม่เหลือวิสัยนะที่คนเราจะสามารถพัฒนาจนกระทั่งมีประสบการณ์มีปัญญาที่จะรู้ได้เรื่องนี้มันก็บอกตายตัวไม่ได้นะว่าเมื่อไรควรจะทำอะไรมีเพื่อนเขาเล่าว่าเคยไปไว่ายน้ำแถวแถวระยองหรือแถวเนี่ยแถวอืมแถว จังหวัดเนี่ยชายทะเลเนี่ยว่ายน้ำกับเพื่อนว่ายอยู่ดีเอาลอยคอไปไกลเลยเพราะคลื่นใต้น้ำเนี่ยมันมีคลื่นที่อยู่ใต้ผิวน้ำเนี่ยพอมันกระทบกับหาดทรายมันก็ตีกลับมาเป็นคลื่นที่แรงมากแล้วก็ซัดเข้าไปไกลออกไปสู่กลางทะเลก็ตกใจนะ เขพยายามไหว้เข้าฝังแต่ไหว้เท่าไหร่ก็ไหว้ไม่ได้หมดแรงพอขื้นมันแรงมากยิ่งว่า้ยิ่งไปไกลเรียกร้องให้เพื่อนช่วยเพื่อนก็พยายามก็ามาช่วยแต่ว่าพอเจอน้ําซัดออกไปก็ร่วมไม่ไหวแล้วต้องยอมแพ้ถอยกลับมาเขาเองก็เจอแบบนี้เขาเขาก็พอตั้งสติได้เขาก็ก็คิดว่าวันนี้คงตายแน่แล้ว เขาก็เลยยอมยอมหยุดหยุดไหว้ยอ ม, ยยยอมลอยคอตอนนั้นใจสงบมากพร้อมแล้วพร้อมที่จะตายแล้วก็รออยู่สักพักนึงว่ารอรอความตายจูๆก็รู้สึกว่าเอ๊ยมีคลื่นซัดค่อยๆซัดเข้าหาฝั่งลืมตา ม, มาือออ มันมีคลื่นนะที่สัดเขา้าเข้าหาฝั่งใกล้ขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจเรียกเพื่อนเพื่อนก็เลยรีบว่ามาช่วยตอนหลังเขารู้ว่าตรงนั้นมีคนตายมาเยอะแล้วตายมาเยอะเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าถูกน้ําซัดออกไปถูกคลื่นซัดออกไปกลางทะเลนะแต่ว่าเป็นเพราะพยายามแคมที่จะว่ายเข้าหาฝั่งแต่คลื่น คลื่นไอ้คลื่นใตน้น้มันมันแรงมากหลายคน่ายจนหมดแรงตายเพราะหมดแรงนะแล้วที่หมดแรงก็งนะงไปไหว้ไหว้สู้กับคลื่นแต่ว่าเขาเนี่ยจะเรียกว่าโชคดีหรือทำใจถูกก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเขายอมนะยอมจะ ต, ตายก็ตายปรากฏว่าพอลอยคอยสักพัเนี่ค ย, ค ย, นคยค่อยๆมันก็ค่อยๆเคลื่อนออกมาจาก ขึ้นใต้น้ำขึ้นใต้น้ำมันเป็นแถบนะแต่มันเป็นแถบแคบแค บ, แบถ้าแทนที่จะว้ายว้ายสู้สู้กับกระแส น, น้ำลองเปลี่ยนมาเป็นวหายตัดกระแส น, น้ำประเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะออกจากกระแส น, น้ำได้คือวหายขนานกับฝั่งถ้าว่ายขนานกับฝั่งก็จะออกมาจากกระแส น, น้าแล้วก็ปลอดภัยแต่เขาไม่รู้เรื่องนี้เลยแต่เา็าล้นกยว่า เขาเขียเพงว่าสู้ไม่ได้อยังไงก็สู้กระแสน้าไม่ได้หรยอมรับยอมดีกว่าคือยอมตายบอ ก, ก็ว่ากลับรอดในกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็เชื่อว่าเนี่ยบางทีการยอมรับตั้งหาที่ที่ดีที่สุดเนี่ยพยายามสู้ยิ่งสู้ก็ยิงก็ยิงแทน แต่ในบางกรณีนะเพราสู้เนี่ยถึงรอดนะอย่างที่เราเคยได้ยินคนที่ลอยคออยู่ในทะเลอย่างพระหมาชนกเนี่ยอันนี้มันก็เป็นชาดกนะแต่ก็มีเรื่องราวคนที่อาจจะไม่ถึงกับลอยคออยู่ในน้ําแต่ว่าอยู่บนอยู่บนแพอยู่บนเรือกลางทะเลกลางมหาสมุทรสี่สิบวันห้าสิบวัน ก็พยายามทำทุกอย่างแทนที่จะนอนรอขาความตายก็พยายามดิ้นรนทุกอย่างก็เสียกระสนเพื่อให้มีชีวิตรอแล้วก็รอจนได้ก็มีมีเรือเรือนสมุทรผ่านมาเห็นเขาอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่ฝรั่งเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญฝรั่งนี่เขา ทุถูกฝึกมาเพื่อให้สู้สู้ทุกอย่างสู้แม้กระทั่งความตายแต่ตายแล้วก็ไม่ยอมแพ้อย่างสู้ดิ้นรนทุกอย่างแต่ว่าเขาก็รู้ว่ามันก็มีหลายอย่างในชีวิตเนี่ยมีโจทย์หลายอย่างที่สู้ไม่ได้ได้ไรได้ก็ต้องยอมรับหรือปล่อยวางแต่ปัญหาคือเราจะทำอย่างไรนะ มันก็มีโจทย์ยากๆหลายอย่างที่บางทีมันก็ไม่ยากนะแต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะทำไม่ได้แต่ว่าทำไปทำไปก็ทำได้อย่างที่เคยเล่านะคุณป้าเกาหลีคนหนึ่งแกอยากได้ใบขับขี่อายุ60 ก, กว่าแล้วม่อยากได้ใบขับขี่ตอนแกก็ไปสอบเอาใบขับขี่สอบปฏิบัติได้แต่สอบข้อเขียนไม่ผ่านนะ คำถามมี50ข้อถ้าแกตอบได้30ข้อได้60คะแนนก็ผ่านแต่แกไม่เคยสอบได้ถูกถึง30ข้อเลยแล้วก็สอบอนั่นแหละตอนที่ได้ข่าวแกครั้งแรกเนี่ยเดือนกุมภามีนาปี52มันเป็นขาวว่าวเพราะแกสอบไปแล้ว775ครั้งใบขับขี่นี่นะ จริงสอบร้อยครั้งถ้าไม่ได้ก็ก็ควรเลิกแล้วนะร้อยครั้งนี่ก็มากเกินไปแล้วยิ่งถ้าคนไทยนี่สอบไม่ได้สอบสองครั้งไม่ได้ก็หาทางใหม่แล้วเช่นยัดมังชยัดเงินมังหรือแม้แต่ใช้เส้นแต่ว่ายิเกาหลีมันทําะไรไม่ได้นะเงินก็ยัดไม่ได้ใช้เส้นก็ไม่มีประโยชน์ก็ต้องสอบแต่ทําไมสอบไม่ได้ร้อยครั้งก็ยังสอบอีก สอบมาเจ็ดรอยเจ็ดสบ้าครั้งไม่ได้นี่ก็น่าจะยอมรับได้แล้วนะว่ า, ากูไม่มีความสามารถหรอกแต่แกไม่นะแต่ก็ยังสอบนีแ่แหละสอบวันเล้นวันเลยพอกว่าพอปลายปีเนี่ยพฤศจิกายแกสอบไดนะ้เป็นข่าวเหมือนกันเป็นข่ายครั้งหนึ่งนะสอบได้เพราะว่าหลังจากที่สอบไปแล้วเก้าร้อยห้าสิบครั้งแบบนี้แปลว่าอลไรแปลว่า การที่สอบไม่ได้สอบแปดร้อยครั้งไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าชาตินี้จะสอบไม่ได้ถ้าทดลออีกสักร้อยครั้งอาจจะได้ก็ได้ถ้าในกรณีถ้าคุณปา้าแกยอมรับว่าฉันสอบไม่ได้นะยอมรับหรือยอมแพ้นะก็ก็คงไม่ได้ไปกับที่นะแต่แกพิสูจน์ว่าฉันทําได้นะถ้าเพียงพยายาม อันนี้มันก็มันก็ชี้ว่าเนี่ยคนร้อนต้องเพียพยายามอยู่ร่ําไปแต่ว่าเนื่องจากคนเราไม่รู้นะว่าพยายามจะสําเร็จไหมหรือว่าพยายามถ้าพยายามถึงที่ก็จะสําเร็จหรือว่าพยายามเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จคนเราไม่สามารถจะบอกได้ล่วงหน้า แล้วก็ประสบการณ์เราก็มีจํากัดที่จะบอกได้ว่าโจทย์ไหนที่ต้องยอมรับโจทย์ไหนที่จะต้องสู้ต่อไปแล้วควรจะทําอย่างไรนะก็น่ายเป็นว่าถ้าเป็นชาวพุทธก็ต้องพยายามสู้พยายามเพียรพยายามต้องเริ่มต้นด้วยความเพียรพยายามเริ่มต้นด้วยความเพียรพยายาม ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ให้เกิดผลน้ก็ต้องเริ่มต้นที่ความเพียรพยายามแต่ว่าเพียรพยายามอยองไงถึงจะไม่ทุกข์นะก็ต้องรู้จักทำใจนะก็คือว่าภาพเพียรพยายามก็จริงนะแต่ว่าใจนี้ก็ปล่อยวางด้วย ไม่ได้ยึดมั่นถือ ม, ม่วจะต้องให้ได้จะต้องให้ได้ต้องทําให้ได้ต้องให้สําเร็จเนะี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าออเปียนพยายามแล้วเนี่ยนะก็จะมีความยึดมั่นไปด้วยวันเนี่ยจะยต้องทําต้องให้ได้ต้องสําเร็จพอคิดแบบนี้เข้าเนี่ยเวลาไม่สําเร็จนะก็จะทอ้อแล้วก็เป็นทุกข์ ที่จริงมันมันทุกข์ตั้งแต่ตอนที่ยึดมั่นให้ได้แล้วต้องให้ได้ต้องสําเร็จจะเกิดความเครียดขึ้นมาจริงๆเนี่ยในหลอนที่เราเพียรพยายามเนี่ยนะเราสามารถจะทําใจนไม่ให้ทุกข์ได้ก็คือว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นกับผลที่มันจะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้น <Okay. S 2> เมื่อก็ขับรถเดินทางไกลเนี่ยกังวลหรือคิดแต่รุ น, นว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไม่มีประโยชน์เลยมีแต่ทำให้เครียดเราก็ไปเราก็ขับรถไปขับไปเรื่อยๆถึงเมื่อไหร่ก็รู้เองระหว่างที่ยังไม่ถึงก็ไม่ต้องไม่เครียดไม่กังวลกับจุดหมายปลายทาง อยู่กับปัจจุบันแล้วปัจจุบันก็จะมีของสวยๆเงงงามข้างทางให้เราได้เสพรับสัมผัสสองข้างทางก็ชื่นชมความถิวทัศสองข้างทางไปด้วยขับรถไปก็เ อ, อติดใจก็มีความสุขผ่องใสเพราะว่าไม่ไปกังวลกับจุดหมายปลายทางที่ยังไม่ถึงสองข้างทางบางทีมีร้าน อาหารเราเรก็แวะพักหรือว่าแวะชมวิวแล ก, ก็ไปต่อมันก็ไม่เครียดนะเวลาทำงานก็เหมือนกันนะทำงานก็ทำเต็มที่ผลมันจะมาอย่างไรก็เป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ก็เราทำได้ใจปล่อยวางนะปล่อยวางในผลที่จะตามมา ถ้าทํางนี้ได้เนี่ยระหว่างที่เราเพียรพยายามพยายามที่จะสู้ใจก็ไม่เครียดไม่ทุกข์มากผลออกมาไม่สําเร็จก็ไม่ทุกข์ยังมีเรี่ยวแรงทําต่อไปอย่างคุณป้าคนเนี้สอบมาร้อยครั้งแล้วก็ยังไม่สําเร็จเนี่ยแกก็ไม่ท้อคนที่มุ่งมั่นถ้ามุ่งมั่นมากเนี่ยยึดมั่นถือมั่นให้ได้จะต้องสอบให้ได้ต้องสอบให้ได้ ยิ่งมีความมุง่งมุงมั่นมากเนี่ยพอไม่ได้มันท้อเร็วท้อง่ายเนี่ยไม่ต้องถึงร้อยครั้ง่ะสอบนะแค่สอบ5้าสิบครั้งไม่ได้ก็กเลิกสอบแล้วกูปิดหวังปิดหวังอย่างแรงเพราะว่ามีความคาดหวังมากเมื่อมีความคาดหวังมากคาดหวังสูงมันก็ผิดหวังได้ง่ายเมื่อผิดหวังได้ง่ายก็ทุก็ทุก็ทุกง่าย มันทําได้นะแล้วทําทําเต็มทีนะ่แต่ว่าใจนี่ไม่ซีเรียสเรียกว่าทํากิจ ด, ด้วยทําจิต ด, ด้วยทํากิจคือเพยายามอะไรแล้วก็ทําจิต ด, ด้วยทำจิตคือปล่อยวางที่ยิงปล่อยวางกับการอที่จริงการยอมรับสิ่งที่ยอมรบับกับการพยายามเปลี่ยนแปลงนีง่มันไม่ได้เป็นเรื่องขัดแย้งกันนะ ที่พูดมาสักครู่นี่มันก็ว่ามันเป็นคนละเรื่องคนละคนละคนละคนละโหมดเนี่ยถ้ายอมรับก็ต้องไม่สู้หรือถ้าสู้ก็ต้องอย่าไปยอมรับที่จริงสองอย่างไปด้วยกันได้นะอย่างเช่นเวลาป่วยเนี่ยพอพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยนะ อย่างแรกที่คนเราควรยอมรับความจริงนะยอ แ, แล้วความจริงว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วจะบ่นตีโพยตีพายปฏิเสธผักใสก็ป่วยการนะเสียพลังงานเสียอารมณ์เสียเวลาด้วยนะมันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ต้องยอมรับก่อนการยอมรับความจริงเนี่ยทําให้ใจไม่ทุกข์ น, นียอมรับเสร็จแล้วก็เข้ามาพิจารณาดูาเออแล้วมันจะทํำยังไงจะทํางไงกับโลกนี้มันจะรักษา ห, หายได้ไหมก็ว่านไปหลัจะพบว่าเออมันพอจะเยียวยารักษาได้นะก็ไปหาหมอหรือว่าไปปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตให้มันดีขึ้นเกื้อกูลต่อสุขภาพมากขึ้นอันนี้เรียกว่ายอมรับก่อน แล้วก็หาทางแก้ไขทําจิตก่อนแล้วก็ค่อยทําจิจเนะี่ยมันมันมันทําด้วยกันได้นะสําหรับกรณีเดียวกันไม่ใช่ว่ามะเร็งแบบนี้นี่ต้องยอมรับนะสู้ไปก็ไรประโยชน์ตัวมะเร็งแบบนี้นี่ต้องสู้นะอย่าไปยอมรับมันไม่ใช่เป็นเรื่องคนละชาคนละตอมัน การยอมรับและการพยายามต่อสู้ปรปับปรุงแก้ไขนี่มันมันทำไปพร้อมๆกันได้หรือทำไปด้วยกันนะอย่างคุณป้าเนี่ยที่แกสอบใบกับขี่ไม่ได้เนี่ยแกก็สอบมาเจ็ดร้อยครั้งสอบไม่ได้แกก็ยอมรับยอมรับว่าแล้วยอมรับในผลที่เกิดขึ้นนะ แต่เรียกว่าแกไม่ยอมแพ้ยอมรับในผลที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ยอมแพ้ก็ยังสอบต่อไปสู้ต่อไป mm hmm. การที่แกยอมรับผลที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้แกไม่ทุกข์มากไม่ไม่เครียดมากตอนที่สอบก็ไม่ไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นกับผลพอผลออกมาไม่ดีก็ยอมรับอันนี้เป็นเรื่องการทำจิตซึ่ง เราก็สามารถจะทโควบคู่แบบไปกับการทํากิจหรือการภาพเพียนพยายามได้อันนี้ถ้าที่วันนี้ต้องมาใช้การปฏิบัติธรรมด้วยนะมปฏิบัติธรรมเราก็มีเราก็มีความหวังนะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันพ้นทุกข์ได้ชาวพุทธเรานี่ต้องต้องมีความเชื่อเรื่องเดียวมนุษย์เราทุกคนเนี่ยพ้นทุกข์ได้เข้าถึงนิปัานได้ แล้วก็เพียงพยายามนะไม่งอมืองอท่าไม่เอาแต่อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็ขอให้ได้บรรลุนิพพานในชาติหน้าแต่ว่าก็พาดเพียนทำตั้งแต่เดือนนีนะ้แต่ขณะการเวลาที่ทำก็ไม่เห้ใจจดใจดจอ่อว่าเมื่อไรจะเมื่อไรจะนิพพานสักทีเมื่อไรนิพพานัทีอันนี้เรียกว่าทำจิตไม่ทำจิตเนะ ก็คือว่าไม่ยอมปล่อยวางในผลที่เกิดขึ้นส่วนทำเต็มที่เราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละทามาปฏิบัติทรมายี่สิบปีแล้วเออยังไม่บรุลลิพาเลยอะก็ยอมรับความจริงแต่ก็ไม่ท้ อ, อก็ทำต่อภาพเพียนต่อไปเป็นการยอมรับกับ ความภาพเปลียนพยายามต่อสู้ไม่ท้อถอยนี่มันจริงๆมันไปด้วยกันได้ถึงแม้ว่าเราจะยอมแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าโจทย์ข้อไหนที่ควรยอมรับโจทย์ข้อไหนที่จะต้องต่อสู้ดิ้นรนขวนขวายแต่ว่าเมื่อก็ตามที่เรา ตระหนักว่าการยอมรับกับการต่อสู้ิี่ลนนี้มันสามารถจะทำด้วยกันได้เริ่มต้นที่เริ่มต้นที่การยอมรับความจริงไม่บนไม่โวยวายไม่ตีปโปยตีภายแล้วก็ลงมือกระทำระหว่างที่ลงมือกระทำก็ทำใจทำจิตปล่อยวางในผลที่เกิดขึ้น ทำเต็มที่แล้วผลออกมาอย่างไงก็ไม่ทุกข์เพราะยอมรับได้แต่ก็ยังทําต่อไปนะบางอย่างไอ้สิ่งที่ทํานี่มันก็ไม่สําเร็จไม่มีทางสําเร็จนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ทุกขนะ์เนี่ยทำทำเต็มที่แล้วแต่ไม่เสียเรียดก็ไม่ทุกข์ การทำกิจกับการทำจิตเนี่ยมันถ้าเราเอามาเชื่อมโยงกันได้นะมันก็ทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมื่อเจอโจทย์อะไรก็ตามถึงไม่จะตัดสินไม่ได้ว่าจะต้องยอมรับหรือว่าจะต้องต่อสู้ดิ้นรนสุดฤทธิ์นะแต่งน้ำก็ช่วย ทำให้ลดความทุกจากการจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์ล้มเหลวก็ไม่ทุกข์หรือว่าถึงเวลาจะตายเออก็พยายามที่จะมีที่อยู่รอดให้ได้นานๆแต่พอจะตายก็เออก็ยอมรับได้ เรื่องการทำทาจิตกับการทำจิตนี่เป็นสิ่งที่ควรจะพยายามไปด้วยกันนะความา พ, พยายามพยายามกับการปล่อยวางมันไม่ใช่คนละขั่วมันทำด้วยกันไดนะ้การยอมรับกับการต่อสู้นะพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็สามารถจะทำด้วยกันได้ แล้วก็สรุปบทเรียนกันไปเรื่อยๆแล้วเออตกลงถึงวิสุทล้านี่ควรจะสู้ต่อไปหรือควรจะหยุดแล้วก็ยอมรับความจริง